เรื่องทางสว่างอยู่ข้างหน้าโดยคุณหลวงและคณะท่านที่ต้องการพักชีวิตจากความวุ่นวายเพื่อค้นหาตัวตนของท่านเองเพื่อตัวท่านเองดังคำพูดของหลวงตาที่ว่า ทางสว่างอยู่ข้างหน้าการเก็บตัวเองในสถานที่ที่สงบเพื่อถือศีลเดินจงกรมพักชีวิตวัดป่าบ้านตาดเป็นทางสว่างท่านที่ประสงค์จะไปพักชีวิตที่วัดขอความกรุณาจดหมายไปกราบเรียนท่านแจ้งกาหนดการเดินทางถึงและการเดินทางกลับเพื่อจัดเตรียมสถานที่กรุณาอย่าเดินทางไปโดยไม่ได้รับการตอบรับเนื่องจากสถานที่มีจากัด วิธีการปฏิบัติตนในวัดป่าบ้านตาด 1. เวลาเจ็ดโมงเชา้าทุกคนไปใส่บาตรที่หน้าวัดอาหารใส่บาตรสามารถซื้อได้หน้าวัดหรือเตรียมมาเองก็ได้ 2. เมื่อใส่บาตรเสร็จทุกคนจะเข้าไปพร้อมกันที่ศาลาพระหลวงตาฉันอาหารหลังจากฉันแล้วท่านจะเทศตามอัธยาศัยและให้พร 3. เมื่อพระหลวงตาออกจากศาลาแล้ว ทุกคนก็จะแยกย้ายกันเข้ากุฏิเพื่อรับประทานอาหาร 4. หลังรับประทานอาหารและทำธุระส่วนตัวเรียบร้อยก็แยกกันเข้าทางจงกรมภาวนา5เวลา15นาฬกาหรือบ่ายสามโมงเย็นกลับมารวมกันที่กุฏิเพื่อกวาดตาดทำความสะอาดกุฏิและรอบบริเวณกุฏิร่วมกันช่วยกันคนละไม้คนละมือ 6. หลังจากกว่าตาเสร็จแล้วก็อาบน้ำพักผ่อนแล้วภาวนาต่อตามอัธยาศัยจนถึงวันรุ่งขึ้นอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมไป 1. เสื้อขาวผ้าถุงดำสำหรับผู้หญิงหรือกางเกงขาวหรือดำสำหรับผู้ชาย 2. ของใช้ส่วนตัวเช่นสบู่ยาสระผมและอื่นๆ 3. ไฟฉายเทียนไขไฟแชกหรือไม่ขีดไฟที่วัดไม่มีไฟฟ้า 4. วิทยุใช้ฐานเล็กๆเพื่อฟังธรรมะจากพระหลวงตางดเว้นสิ่งของที่ให้ความบันเทิงและไม่จำเป็นทุกชนิดการถือศีลเมื่ออยู่ในวัดจะถือศีลห้าหรือศีล8ปดก็ได้ท่านไม่บังคับ แต่ต้องมีสติตามดูตัวเองในการรักษาสีลอย่างเคร่งครัดผลที่ได้จะเกิดแก่ผู้ถือสีนนั้นนั่นเองการนั่งสมาธิและเดินจงกรมการนั่งสมาธินั่งอย่างไรก็ได้นั่งท่าที่สบายตัวที่สุดมือประสานบนตักบางคนใช้มือขวาทับมือซ้ายใช้หัวแม่โป้งแตะกันเบาๆสูดลมหายใจเข้าออกช้าๆ ให้พิจารณาพุทหายใจเข้าโทหายใจออกกาหนดให้ลมผ่านเข้าออกที่รูจมูกอยู่ตลอดเวลาไม่ต้องคิดอะไรพิจารณาให้อยู่ที่รูจมูกเท่านั้นให้รู้ตัวอยู่ตลอดเวลาผ่อนลมหายใจให้นิ่งสงบช้าๆเอาแค่นี้ก่อนการเดินจงกรมคือการเปลี่ยนอิริยาบถของเราเองเมื่อนั่งรับปวดเมื่อยท่านให้เดินจงกรมเป็นการผ่อนคลาย ตรวจทางเดินจงกรมให้เรียบร้อยหากอยู่ที่วัดจะมีใบไม้ร่วงตลอดเวลาใช้ไม้กวาดอ่อนค่อยๆกวาดให้สะอาดตลอดทางเดินจงกรมให้จุดเทียนไว้ที่หัวและท้ายของทางเดินถ้าเป็นเวลากลางคืนเพื่อให้เห็นจุดหมายวิธีการเดินภาวนาพุทธโทรเริ่มก้าวเท้าไหนก่อนก็ได้พร้อมกับการภาวนาในใจว่าพุทธและโททีละก้าว เมื่อประสานการอยู่ข้างหน้าเช่นเดียวกับการนั่งภาวนาเอาที่สบายที่สุดจะกําหนดก้าวเดินหรือไม่กําหนดก็ได้ทําด้วยวิธีใดก็ได้พยายามไม่ให้จิตกระเพื่อมออกจากพุโทโธการกลับตัวเมื่อถึงปลายทางเดินหยุดตัวเองแล้วค่อยๆหันกลับทางตลอดเวลาที่หมุนตัวกลับช้าๆให้ภาวนาอยู่โดยตลอดเมื่อหมุนตัวกลับแล้วหยุดอยู่กับที่สักนิดแล้วเริ่มต้นก้าวเดินใหม่เหมือนเดิมทุก ป, ประการ การวางเท้าเดินวางก้าวตามธรรมชาติก้าวยาวหรือสั้นแล้วแต่ถนัดเดินเร็วหรือช้าก็ได้แต่ต้องมีสติ ก, กำกับทำใจให้สบายๆผ่อนคลายอย่าเปือเกรงเดินให้ตรงโดยใช้ที่หมายคือเทียนไขที่จุดไว้สำหรับในช่วงกลางคืนข้อเตือนสติอย่าได้คิดว่าการเดินจงกรมหรือการนั่งสมาธิจะต้องเห็นภาพนิมิตทำใจให้นิ่งพุโทโธตลอดเวลาเท่านั้น หากสงสัยประการใดกรุณาหาหนังสือของพระหลวงตามาอ่านเกือบทุกเล่มจะมีคำอธิบายการเดินและการนั่งหากมีคำถามไม่ทราบว่าจะถามใครติดต่อมาก็ได้ยินดีจะหาผู้รู้อธิบายให้ท่านได้ตลอดเวลาตามที่แจ้งไว้แล้วสุดท้ายนี้ขออนุโมทนากับท่านผู้จะเดินทางไปเพื่อปฏิบัติธรรมอันบริสุทธิ์ทุกท่านอนุโมทนาด้วยครับ หลงชื่อคุณหลวงและคณะผู้จัดทาเสียงอ่านโดยโจโช